คุณแม่และคุณลูกต้องสองพักต่อนสักครู่ดูเวลาเห็นว่าเวลาพอสมควรเ <c> ว <oughs> ลาเงียบแล้วก็คุณแม่ว่าคุณแม่จะขาลูกอยากจะไปเที่ยวลูกลบรรดาพระอหักแม่ก็ตอบว่าเป็นของไม่ยากความจริงการทำสมาธิต้องฝึกให้คล่องแต่ถามว่าเวลานี้ลูกจะเห็นภาพพระ แต่เป็นมรตพรูปก็ดีพระสงฆ์ก็ตามและรูปพระพุทธเจ้า ก, ก็ตามในอกนมีไหมทรายก็ะะบอกว่าขณะที่แม่คุยอยู่ก็ดีพระก็ตามเห็นสว่างตลอดเวลาแม่ก็ถามว่าถ้าคิดว่าจะไปดาพระรหัสก็อายุอย่างนี้ก็แล้วกันจัดภาพภาะพุทธรูปภาวนาให้ใจเข้านึกถึงภาพทันให้ใจออกนึกทุ้ภาพทันให้เห็นชัดได้ลวลากภาวนาตาม ว่าพุทโธก็ตามสมารหังก็ตามหรือว่านามะพุทธก็ตามตามชอบใจลองจับอนาปานุปติคือลองให้ใจเขาออกดูทีนี้ปุ้ก็เล่นจับพระดึกจะจับภาพลองให้ใจเข้าทำมันเองก็กลายเป็นภาพเขาจะไหลเป็นลอยเหนือดาวพระรหััพร้อมกับแม่ยืนยื่นข้างข้างปุ้ยก็ถามคุณแม่ว่ามี้ได้มาได้ยังไงเจ้าข้า แม่ก็ตอบว่าการคล่งองของสมาธิถ้าจิตเนรำว่าจากกิเลสสภาพก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดก่อนภาวนาไม่คิดก่อนตังง้งรองคิดว่าจะไปไหนเวลาที่ภาวนาจริงๆก็ไม่ต้องไม่คิดถึงเรื่องนั้นจับว่าการภาวนาตามตามปกติเมื่อจิตมีสภาพมีกําลังเแรงจิตจะพุ่งออกมาเอง จุเล่ก็ถามแม่ว่าเวลาที่จิตพุ่งออกมาไม่รู้ตัวหรือแม่ก็ตอบว่าไม่รู้ตัวแต่ความจริงที่จุเล่ทํานี่ยังถือว่าช้าเกินไปจุเล่ก็ตกใจถามว่าที่จับอนาปาร์คือให้ลมให้ใจเข้าไปทั้งยันออกช้าเกินไปหรือคุณแม่แม่ก็ตอบว่าใช่อย่างช้าเกินไปถ้าคนมีการคล่องตัวจริงๆ เขาคิดว่าจะไปไหนไปได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องตั้งอารมณ์เพราะอารมณ์ทรงตัวคำว่ า, าอารมณ์ทรงตัวคือว่าเวลาที่ต้องการจะไปไหนจะรู้อะไรก็ตามเวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลส ท, ทันทีด้วความเป็นทิศเต็มกำลังก็เคลื่อนได้ ท, ทันทีทันใดโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกันเมื่อเราก็แปลกใจคิดว่าขนาดนี้เรายังถือว่าเร็วแล้วแม่จะบอกว่าช้า ยังไก็ถามว่าเวลาที่คุณแม่อยากจะรู้เวลาที่คุณแม่อยากจะเห็นคุณแม่อยากจะไปไหนคุณแม่ตั้งใจยังไงคุณแม่ก็ตอบว่าแม่คิดจะไปไหนก็ไปทันทีอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรก็เห็นได้ทันทีทันใดแต่การเห็นบรรดาลูกหลักจะต้องเรามาดร่วังต้เห็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่งจะพ ย, อยายามลืมนึกถึงพระพุทธเจา้าทางทจิตเห็นภาพพระพุทธเจา้าเข้าไว้ จับภาพเจ้าให้ทรงตัวให้มั่นคงแล้วตั้งใจถามว่าภาพนี้เป็นอย่างนั้นจริงไหมให้ถือความรู้สึกหังใจเป็นเกณฑ์ให้ความรู้สึกหลงใจบ่อยไงให้เชื่ออย่างนั้นทันทีทางนี้เพราะเวลานั้นใจเป็นทิพย์ใจว่างจากิเลสใจยังรู้ถูกต้องเสมอเธงก็ถามแม่ว่าขณะที่ใจว่างใจกิเลสใจเป็นทิพย์ การเห็นพระพุทธเจ้าพระเจ้ามาจีิงหรืไม่แม่ก็ตอบว่าไม่มีความสําคัญท่านจะมาจริงหรือไม่มาจริไม่ต้องคิดคิดเองแล้ ว, ว่านี่คือพระพุทธเจ้าก็แล้วกันสร้างความไม่มั่นใจที่เท่า น, นั้นจะไม่มีอะไรผิด <c oughs> หลังจากนั้นไปจุไรก็มองไปดูโลกพระฤหัตแม้ดาวฤหัตสวัสดีก็ถือว่าเป็นโลกเป็นดาวที่มีความดวงใหญ่มากกว่าทุกดวง ถ้าจะเทียบกันดาโดยอื่นก็เมือนกับชา่ชางช้างทีเบาคือช่างใหญ่อยู่อยู่กลางผงวัวฉะนั้นไม่ต่างกันเมื่อมองดยรอบๆอยู่อยู่ภายนอกยังไม่ถึงดวงดาวมองก็ไปเห็นสิ่งที่หมุนรอบตัวเป็นคล้ายๆละองเมฆบางส่วนก็เป็นเมฆก้อนแต่ก็ไม่นาทึกสามารถเคลื่อนไหวแลวกระจายตัวได้ มีสภาพของลมแรงจัดพุนไปอย่างแรงกเกรงกวามว่าสิ่งที่มองจากโลกเห็นดาวฤกษ์ว่ามีหมอกหรือมีสภาพบนของลมเป็นความจริงแต่การหนึ่งค ง, ค เ, งเหมือหคลื่นลมที่เป็เมฆที่ลอยไปเป็นหมอกจุประเภทนั้นอยู่ไกลกับตัวดวงดาวมากแช่นนักธนัตเป็นฟิส <c oughs> ก็ตป็นบอกว่าหลายหมื่นฟิ มันจะมีสภาพไกลกว่าเครื่องบินที่บินจากเหนือโลกไปสามหมื่นฟิตด้ตวยความจริงหนึงคือ 30, ฟุตไปสามหมื่นฟิตก็มองลงมาเห็นบาวไปิ่งไม่เป็นก้อนเม็ดดำกด็ดีเม็ขาวก็ดีลอยต่ําใค้ก็ติดพื้นดินแต่วรนดาเม็ละอ่อนทั้งหลายที่มีลมพัดแรงอยู่ไกลกว่าเมฆประเภทนั้นกับผืนพื้นดินของโลกมากเรื่องความอาการมองจากที่ไกล ย่อมไม่ทราบความจริงแต่ความจริงที่ทราบก็คือว่าหมู่เมฆและอองเมฆและหมอกหมุนไปมาเร็วอันนี้เห็นชัดแล้วก็ไปเห็นตัวโลกจริงๆ <c oughs> แต่โลกระหัสนี่อยู่ไกลดวงอาทิตย์คำว่าไกลไม่ได้สิ้นแสงแล้วไม่มีแสงถึงมีแสงถึงคล้ายากับโลกมันต้องเปนโลกชนโพเมื่องเข้าไปภายในไม้ของเมฆหมอก ก็ไปข้าไปใกล้ไปมุมเหนือต้องถือว่าเป็นมุมเหนือถ้าจากตรงโลกมนุษย์มืม น, นี้ปรากฏว่ามีหิมะมากมีต้นไม้ต้นหญ้าหนาทึบเขียดอุ่มมุมนี้หนาวจัดบอกไปเลยว่ามุมนี้หนาวจักฆ้าโลกวัสดุดป็นความจริงโลกวัสดุที่บอกที่เพื่มองไปเห็นมาแล้ว ที่ไรที่เห็นแลก็บอกว่าใคร้โลกพอสุกหลังจากนั้นก็เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้จะคิดว่าถ้าเอาเนื้อมาด้วยวันนี้คือต้องแข็งตายที่นี่แน่เพราะร่างกายไม่ชินกับความเย็นเรื่องความด้านคิดเหนือข้งดาวพฤหัสก็เลต่างก็บขั่วโลกเหนือของดาวโลกมนุษย์ทีโลกอุมพูมีน้ําแข็งไปดูน้ําข้างอย่างแข็ง ทุกสิ่งทุกอย่างเยันเยือกมาดูสัตว์หายากและปรากฏว่ามีทะเลมีทะเลใหญ่ตอนท้ายดาวท้ายดาวคคนที่เรียกว่ามหาสมุทรเป็นมหาสมุทรใหญ่ตอนนี้สภาพเป็นน้ำแข็งแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ท้ายดาวพระหัตก็มีสัตว์แตวเพื่นี้แล้วก็มีคน คนผู้นี้เดินบนน้ำแข็งได้แบบสบายๆเขาเดินได้อย่างมีความสุขแล้วก็มาแสดงการหนาวมีสภาพเป็นปกติแต่ว่าใช้เสื้อผ้าหนาเตะแต่เดินในดวงหน้าดวงตาหน้าเขาเปิดเขาไม่ได้ปิดไม่ได้คลุมเปนเรการร่าเลยมีหมวกหนามีเสื้อหนามีกางเกนหนามีผ้ากางเกงแล้วหุ้มเท้าหุมหุมแข็ง มีรองเท้าหนาเดินแบบสบายสบายขั้นเข้าไปใกล้พวกเขาแทนที่จะแสดงการแปลกใจหรือตกใจเขาก็ยิ้มจูเไียแสดงกายเป็นมนุษย์ทำภาพมันจภาพมีเนื้อไปกับแม่สองคนแม่ภาพคุณจูเลยจริงๆก็เป็นเด็กว้จุกตัวเล็กๆแม่ตัวใหญ่ เข้าไปเขาส่งภาษาของเขาบอกมือบอกไม้โบเบเบฟังไม่ออกก็ต้องใช้กําลังใจฟังถ้าใช้กําลังใจฟังทุกอย่างก็รู้เรื่องกันหมดเกิดความเข้าใจเพราะมีอารมณ์เป็นทิพย์เกิดสารมุขสามารถพูดภาษาของเขาได้ก็ถามว่าเขาอยู่ที่นี่มีความสุขหรือเ้าบอกว่ามีความสุขดี ถามเรื่องการทํามาหา้กินการปลูกข้าวเขาใส่หน้าแต่ที่นี่ไมมีการปลูกข้าวเข า, า, า, า, ข า, เขาถามว่ากินอะไร <c oughs> <c oughs> เขาว่าชี่ไปที่ต้นไม้ต้นไม้มีผลมีมากมีตลอดปีอา้ใส่ผลไม้ไปอาหารบ้างหัวพืชต่างๆที่อยู่ใต้ดินไปอาหารบ้างเขามีความสุขไปดูบ้านเขาอยู่ห่างๆกัน รู้สึกว่าในสถานที่นี้จะไม่มีการลบราข้าฟันกันเพราะคนทุกคนไม่มีใครถืออาวุธแม้จะเดินเข้าป่าเปลี่ยวก็เดินมือเปล่ า, ถ, าถ้ามือถ้ามือถึงก็หมายถึงว่าถือของกินถือของใช้ก็เลยความว่าเห็นแล้วก็เดินไปอะไรก็แม่ก็พากันเดินต่อไปเดินขึ้นลอยลอยขึเดินก็ลงมาที่ใหญ่มาก พอม า, กาใกล้จะกลืนเข้าโลกพระหัตก็มีการแปลกใจที่เห็นบ้านเมืองใหญ่โตมากมีความสวยสดงดงามรู้สึกว่าเครื่องจากคนาต่างนี้มากคำว่าพระหัตบรรดาทานพุทธบริษัทจะผู้ฟังถ้าแปลว่าโครแต่คนในที่นี้ไทยเชื่อมหนนาไม่เหมือนคนโลกรู้สึกมีความเย็นสบาย มีความอุ่นพอทุกคนเย็นในหมากนะักเขาก็ประกอบอาชีพต่างๆด้านวิทยาศาสตร์ด้านการช่างวิชาการทั้งหมดรู้สึกว่าเขามีความอดมสมบูรณ์มากเป็นดินแ ด, ดนที่มีความรู้ทุกอย่างเป็นว่าบ้านเมืองเขาก็มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองถ้าจะถามว่ามีไฟฟ้าไหมก็ตอบต่ อ, ตอมีมากเต็มพืชไปหมด ทุกสิ่งทุกอย่างเกือบไม่ต้องใช้กําลังคนระบบต่างๆในโลกไม่จากคนแล้วเป็นระบบไฟฟ้าหมดถ้าจะถามว่าอาวุธวออยุทโธบายกรยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นอาวุธยุโทโธบายกรต่างๆก็เห็นแต่ว่าคนเขาทามาหากินเป็นปกติมีการยืมยแยมจําใส้โฆษณากรรมมีมากตลาดก็มีเยอะ รู้สึกว่าคนมีความสุขมองต่อไปภายตรงกลางตรงกลางข้อดวงดวงดาวดวงนี้รู้สึกว่าเป็นเขอุตสาหกรรมมากแต่สิ่งที่พอใจคุณจะอะไรยังไม่มีแม่คือว่าวัตถุต่างๆที่มีคุณค่าเป็นพิเศษเคยก็หันมาถามแม่บอว่าคุณแม่เจ้าคะตาพิภพเป็นดาวใหญ่ ทำไมไม่มีแร่ธาตุที่มีคุณค่าสูงแม่ก็ตอบว่าการมีโรงงานดงรักต้องถือว่าต้องมีแร่ธาตุมากถ้ามีแร่ธาตุไม่มากโรงงานก็ไม่มีฉะนั้นเราพาไปดูโรงงานโรงงานของเขาใหญ่เป็นโรงงานสำเร็จรูปโรงงานที่ขาดไปอย่างหนึ่งคือโรงงานฆ่าสัตว์ ในโลกนี้ไม่มีโรงงานฆ่าสัตว์ให้ถามว่าโลกนี้มีคนกินเนหรือก็ตอบว่าเห็นเขากินเนื้อสัตว์ถ้าโรงงฆ่าสัตว์ไม่มีเพราะนั้นแม่กับลูกสองคนเจ้งหน้าเดินเข้าไปหากลุ่มคนเห็นนีว่าถือเนื้อสัตว์มาก็าถามเขาว่าเนื้อสัตว์นี้ได้มาจากไหน เ้าก็ตอบคนสี่ห้าคนเรี ย, ยนทีน่นี่สัตว์มาเพื่อทำอาหารเขาก็ตอบว่าได้มาจากร้านขายร้านขายเนื้อสัตว์เธอต้องสอนกรถางว่าร้านขายเนื้อสัตว์เขาได้เนื้อสัตว์มาจากไหนไม่ม่โรงฆ่าสัตว์เ้าก็ตอบว่าที่นี่ไม่มีโรงฆ่าสัตว์ <c oughs> ในการฆ่าสัตว์ในโลกนี้ไม่มีเพราะว่าโลกนี้ถือว่าคนกับสัตว์มีความรู้สึกเสมอกัน รักสุขเลียดทุกข์รักชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นยิงไม่มีใครคงเห็นกันแต่เนื้อ ส, สัตว์ที่ได้มากินนี่ก็เป็นเนื้อสัตว์ที่ตายเองสัตว์ปลาที่ด้วย ม, มีมากตายแต่ว่าเนื้อสัตว์ไม่ได้มีขายทุกวันบางครั้งบางคราวที่มีสัตว์ตายคนไปพบเข้าก็นํามาขายเวลาไหนที่ไม่มีเนื้อสัตว์ใหญขายเขากินพืชพันธัญญุ์าหารผักต่างๆที่เป็นประโยชน์ เพื่งความไม่ทราบว่าคนโลกนี้กินเนื้อสัตว์แต่กิ น, นเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วไม่รบกวนกันสมศักดิ์ศรีก็ดาวถัดที่แม่นไส่น้ำว่าเป็นโครูว่าครูยังมีพรมิหารสีคือเมตตาความรักคุณาความสงสารเมื่อคูตายิยิบอ่อนโยนมีชาลิษยากันมีขาวางเฉยไม่ซ้ําเติมกัน แม้ครูก็ไม่มีอคติก็ไม่ไม่ลำเอียงกับความรักไม่ลำเอียงกับความโลภไม่เียงกัความโกรธไม่เอียงกับความหลงไม่ลำเอียงกับความกลัวเห้ย้ํามากไปจะมั่งไม่ลำเอียงกับความรักไม่ลำเอียงกับความโกรธไม่ลำเอียงกับความหลงไม่เอียงกับความกลัวไม่ลำเอียงสี่อย่างเรอีองความว่าเขามีการ่วนตัวความเป็นผู้ใหญ่ความเป่นผูอพูดผูคิดผู้ไล่เอียงซ้ายเอียงขวาก็ไม่มี สมศักดิ์สีดาวครูต่อไปก็เดินต่อไปไปพบโรงงานที่มีความสำคัญโรงงานโรงนี้ใหญ่โตมากคนทุกคนในโรงงานและโรงงานรู้สึกว่าแต่งกายแปลกมีหน้าคุมมือคุมทั้งหมดแรากฏว่าเป็นโรงงานที่เกี่ยวกับรังสีต่างๆคันเข้าไปถามเขาเจ้าหน้าที่เขาอธิบาย เมโรงงานนี้เกี่ยวงานพลังสีด้านสีใช้งานได้ทุกอย่างแต่ส่วนมากในโรงงานนี้ไปโรงงานสันติใช้พลังงานต่างๆในการขับเคลื่อนบ้างใช้งงานทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการ <c oughs> <c oughs> เครื่องความมาดูแล้วก็ยังไม่เปที่พอใจของจุไรจุไรก็ชวนแม่ออกไปหาสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านี้ แม้จะตอบว่าถ้าต้องการมากกว่านี้โลกตรงนีกถึงพระขอรัตธรรมนาพระขอบามีท่านช่วยว่าอะไรบ้างที่มีในโลกนี้ที่มีคุณค่ามากแล้วก็เทียบเท่ากับเงินนัดทองของสําคัญมีที่ไหนขอให้ท่านดลใจได้แนะนําให้รู้ที่เราจะยกมือไหว้คิดถึงพระก็แปลกด้วพระท่านมา ท่านยิ้มแล้วก็แปลว่าจูไรลูกรักถ้ามาในเมืองอย่างนี้นะมันไม่พบของจริงเมื่อที่เป็นวัตถุธาตุแท้ร้อยเปอร์เนมันไม่พบการเข้ามาในเมืองทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ทำแล้วถลุงแล้วหมดถ้าต้องการจริงๆต้องเข้าไปในป่าจูไยที่ท่าพามาก็าค็อนิจแดงใกล้ร้อน แดงใกล้ร้อนแดนนี้เป็นแดนมุมหน้าเรียกว่าดนงดามุมใก้พระอาทิตย์ <c oughs> มีความร้อนแต่วร้อนไม่มากนัก <c oughs> จุดที่พระชื่อไปมองที่แรก <c oughs> นั่นก็คือมีแรนขาเพลแรนะสีขาวแต่ขาเป็นมันมองลงไปลึกไปนิดดูสิมีสภาพคล้ายแก้วมีความแข็งมาก เขาต้องมาบอกว่าร่ประเภทนี้เป็นแรกที่มีพลังงานหนักใช้งานในด้านสติได้ดีมากถ้าใช้ในการรักษาโรคจะมีความย็นใช้ในการทําลายจะเย็นก็ได้ให้ร้อนก็นได้โดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าใช้กําลังพลังสีทําลายชีวิตมันจะทำลายได้ดีกว่ามีกดอย่างเ อ, อื่นทั้บทที่ปรากฏมา ท่าก็ถามว่าแรประเภทนี้ถ้าโลกมนุษย์เรียกอะไรท่านก็ตอบว่าโลกมนุษย์ไม่เรียกอะไรทั้งหมดเพราะไม่มีในโลกที่เราอยู่กัน <c oughs> แร่ประเภทนี้นั้นถ้ามีในโลกที่เราอยู่ศรัทธาใครเป็นคนมาทํำได้ก่อนก็ทําลายคนและสัตว์ในเขตอินหมดแต่ใ น, นสุดตนเองก็ต้องตายเพราะโลกทั้งโลกจะอยู่เฉพาะคนกลุ่มเดียวพวกเดียวคนเดีย ว, ย ว, ยวไม่ได้ ต้องอาศัยที่นาฬกันลังสีนี้ร้ายกาจมากต้องือว่าเป็นแร่จุดดับชีวิตของสัตว์ได้อย่างสนิทเธอก็มองไปดูว่ารอบบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลมาก <c oughs> แต่ยังเมือกาวก็ร่องรอว่ามีใครเอาไปเธอก็ถามพระว่าแร่ประเภทนี้มีคนได้ไปแล้วอย่างมีคนรู้ไหม <c oughs> ว่านุภาพเป็นินการใดในด้านทำลาย พระอาจารยตอบว่าเขาทราบในเมื่อเขาทราบเขาวิสูต์แล้วเขาไม่ต้องการเพราะมาขอทําลายกันเขาไม่เอาแล้วอีก ด, ด้านหนึ่งเป็นด้านเขาสันติเทวก็ถามว่าเขามีความต้องการไหมพระอาจารยก็ตอบว่าเขามีความต้องการเหมือนกันแต่ว่าเขาวิสูต์แล้วมีกําลังแรงมากเกินไปเขายับยั้งไม่เอาเอาแรกที่มีกําลังพอดีพอดีที่ดีกว่านี้มีอยู่ หลังจากนั้นโยไรก็ถามพระว่าดินแดนทั้งหมดของโลกนี้จะมีเมืองที่ปกครองันเองมีไหมท่านก็ตอบว่ามีเมื่อพระตอบอย่างนั้นคือก็นึกในใจ <c oughs> ว่าแดนนี้ต่างกับดาพุทธดาวพุทธไม่ต้องมีผู้ปกครองชาติไม่ต้องมีเมือบ้านไม่ต้องมีกำนันไม่ต้องมีนามเพอไม่ต้องมีหัวใดการเยวดไม่มีเมือง เป็นการปกครองนั่นเองแต่ดาวพฤหัสที่งจัดว่าเป็นดาวโครต้องมีทุกอย่างก็หมายความว่าดาวโลกนี้และโลกและดาวนี้ต้องมีการลบราข้าความเป็ก น, นกันและกันคุณกราบเรียนถามพระท่านว่าโลกนี้มีการลบราเข้าความซึง่งกันและกันไหมพระท่บอกว่ายังไม่มี <c oughs> เขาอยู่ด้วยกันเป็นสุข ที่ต้องมีผู้ปกครองผู้ต้องการรู้ขอบเขตให้อยู่ในการวงการปกครองคือขอบเขตของกฎข้อบังคับโดยกฎข้อบังคับและกฎหมายก็มีไม่มากบนโลกเราโลกของเรามีคนสร้างความทุกข์มากมีการกอเห็นกันในร้ายกันมากยิงมีกฎข้อบังคับมากโลกนี้ก็มีอย่างเดียวว่าเขตของใครอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นไม่รุกรานกัน ทำมาให้กินอย่างมีความเป็นสุขแล้วทรอยนว่าโลกนี้ไม่ไดการสร้างอาวุธมีการต่อสร้างแต่สิ่งที่ประกอบด้วยสันติทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะเป็นความสุขเขาสร้างอย่างนั้นเห ย, ยียดยานภาณะเขามีดีมากเธทอยก็ถามว่าโลกนี้มีการโกรดไหมพระท่านยิ้มถ้าบอกจรโกรนี่โลกนี้เขามีมานานแล้ว โลกชนพูเราเพ่งมีเมื่อเร็วนีว้โลกนี้เขามีมานับแสนปีเท่าว่าถามพระว่าจริญก็เอาไปไหนกันเขายิงเป็นดาวไหนพระต่างตอบว่าดาวใบที่เขามีความต้องการ <c oughs> เขาก็ยิงเจริญไปดาวนั้นได้ส่งเครื่องพิเศษไปด้วยนอกจากนันยานภานะเมว่ดเมยยาน โลกยานต่างดาวภาณะต่างดาว <c oughs> คือเขาสามารถมียานภนณะเป็นโลกต่างๆได้ตามชอบใจแต่ก็ถามว่าในเมื่อเขาเป็นโลกต่างๆได้เขารบกวนชาวโลกต่างๆไหมชายก็ตอบว่าดาวนี้เขามีภูมิหารสี่เขามีความรักถึงคนที่ไหนถึงสัตว์ที่ไหนเขาก็รักเขามีความทุสารุษ้ใครมีความทุกข์เขาก็ก์สาร เขาเมื่อจะตายเห็ใครได้ดีเขายินดีด้วอ ย, ย่างโลกขเราสร้างยานพาณิชย์ไปไปในโลกต่างๆได้เขาเห็นเขารู้แ <c oughs> ค่ว่าดีเจ้าที่เราทําได้แต่เขาคิดความรู้สึกว่าพวกเราเด็กเกินไปเพราะเมืลุห่างจากเขาเป็นแสนปีพ <c oughs> ระวิถามนึกบอกว่าถ้าเช่นนั้นยา น, านพาณิชย์เทพยานต่างดาวหรือพานะต่างดาวเนี่ย ที่เล่นลงที่จันทวีร์พวกนี้ใช่ไหมพระก็ตอบว่าไม่ใช่พวนี้เขาไปเป็นแค่ชมถ้พอะไรบอกว่าถ้าเธออยากจะรู้ย า, านพณาพวกนี้เขามีอะไรบ้างไปกับท่านผลสุดที่ว่าชื่อชมแล้วธาต่างๆไประหว่างทางมีทั้งเงินมีทั้งแก้มีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็โลกมนุษย์ก็โลกต่างๆเรงความเรื่องเกื้พันนาซักถึงต่างก็ไม่ต้องว่ากัน พอเวลามันใกล้ดวงดาวดวงนี้ใหญ่ที่สุดวันนี้ในวิสุก็ไปพกรงงานโรงหนึ่งใหญ่โตมากเขาสร้างยานพานะยานพานะใช้ในโลกของเขาก็ต่างแล้วก็ต่างดาวด้วยเรวยยานต่างดาวร <c oughs> าหรับยานต่างดาวแ่วที่ปลายกฎมีหลายประเภท บางประเภทมีคล้ายเครื่องมีสภาพคล้ายเครื่องบินแต่ใหญ่โตมากใหญ่โตมากลานปิดมิดสมชนิดหมดข้างในเมีอากาศสบายมีความยินมีความสุขยื่นหน้างที่นอยสบายเครื่องมองไม่เห็นเขาปิดแต่ความยินอยากจะเห็นก็เห็นได้แปลว่าตามธรรมดาเข้าไปแล้วมองไม่เห็นเครื่องหมนเหมือ น, นก็เครื่องบินของเรา แต่ว่าที่หน้าแปลกใจเขาไม่มีถังน้ํามันอันนี้เป็นยานจานต่างดาวประเภทหนึ่งคือไิเที่ยวในดาวต่างดาวต่างๆมีความเร็วสูงมากแล้อีกประเภทหนึ่งมีจังหวะคล้ายจานด้านบนมีจังหวะคล้ายจานแต่ใต้ของจานมีสภาพเหมือนกัเหมือนก็เปลือมีสบับคล้ายเครื่อดินแต่รูปร่างจริงๆคล้ายเรือผิวน้ําแต่ว่าเป็นยานพาณาิเศษ มีสภาพต่งางจานต่างไข่เครื่องบินถ้ารูปร่างไข่เรือแต่บนโลกจริงมีสภาพโ ค, ครงไข่จานอันนี้แปลกเข้าไปแล้วยานประเภทนี้มีความสุขสมราญมากเป็นมิเศษเมื่อที่กว้างขวางใหญ่โตมากมีเจ้าหน้าที่เพียบพร้อมมีอาหารการบรโภคเพียบพร้อมมีความสุขแล้วก็ยานพาหนะอีกประเภทหนึ่งประเภทนี้เล็กเป็นยานต่างดาวเหมือนกันอันนี้คล้ายจานแท้ ถ้าเราว่าเวลาเคลื่อนไหวเป็นจานสองชั้น <c oughs> จานด้านบนจะหมนุนจานด้านล่างจะโนะเฉยอยู่เยถ้าจะว่ากันไปแค่คลายห่อชนิดคัปเตอร์เพราะว่าชนิดคอปเตอร์ของเราปีกหมนุนไปพัดหมนุนตัวอยู่นี่งๆนี่เป็นสภาพจานจะมีสภาพคล้ายปีกหมนุนหมุนไปจะมีความเร็ว ม, มากแล้วก็มีไอด้านท้ายมีรังสีขับ เรื่องความว่าจูไรเห็นยานพานะสามอย่างก็แปลกใจพระตัง้งตัวว่าอยากจะถามความเร็วไหมแล้วอยากจะทราบว่าสมมติเขาเป็นโลกมนุษย์ยังได้ถามเจ้าหน้าที่ของเขาเจ้าหน้าที่นล้วก็แปลกใจรูปร่างหน้าตาก็เหมือนคนแต่ไม่เหมือนเขาเขาก็ถามว่ามาจากโลคไหนพระก็ตั้งตัวว่าคนผู้นี้สองคนนี้มาจากโลกชมพู แขาว่าที่ปฏิปทาถามว่าท่านมาจะโลกไหนท่านก็ตอบว่าฉันมาจะโลกไม่รู้จักดับแม้แต่จะถามว่ายานวานะัทั้งมีความเร็วมากไหมจากดาวดวงนี้ไปดาวตรงโน้นทางที่มาที่โลกโลกมนุษย์เขาบอกวาการไปดาวดวงนั้นจริงๆไม่เกินสามสิบชั่วโมงก็ถึงอะบรรดาลูกรักทั้งหลายชงแค่นี้ก็แล้วกันหมดเวลา เมื่อเ็เสร็จไปหมดขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจะมีแดบันดาทุกคนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี